โยโย่ได้ชอบผ้าอ่ะะเห็นรูปโยที่บ้านอาที่เคยใส่ปคนของตบเลยวันนี้พีงอนี้ดีแล้วทำงานไม่ไม่ทำงานเป็นไงนี้ค้องใส่ขึ้อดีใช่ไหม ได้ได้เออเร็วเร็วถามไปเลยช่วงที่มาหยว่ากว่าิมันเบิกเบิกานาแบบไม่็ือนดนั่งิีวไปมันเบิกโอเวอร์่ะดูไฟของไม่เที่ยมไม่ได้ติดวิชนกิเลสคือติดหรือไม่ติดอยู่ที่ว่าพอใจมันไหมก็รู้มันไปอกก็รู้ทันมันก็ไม่เป็นไร จิตหรืออาการของคิดจะเกิดอะไรขึ้นก็ช่างมันะนะอยู่ที่เรารู้ด้ยวยความเป็นกลางไห ม, มรู้แล้วเป็นกลางกับมันไม่เป็นไรหรอก้ไม่รู้ต้องมันอิสระมันลมากคืออย่างนี้พวกวิปัสสนู่พอมันเกิดอาการานีน้คิดว่าบรรลุมรรคผลแล้วแล้วเราคิดไหมก็ แล้วตอนนี้ตอนนี้เป็นยังไงตอนนี้ตอนนี้แยเออดีดีแล้วที่รู้ว่าแยกก็ไม่ถึงอ่าบอกว่าจิตมันจะเป็นแค่ช่างมันคือต้องไปกล้ากล้าหน่อยเออกล้า้าหน่อยยังไแมพอกล้ากล้าหน่อยทิ้งอาไปหมดได้งั้นเรากลัวกลัวแล้วเราจะจับเลยไว้แน่นเลยจับไว้แน่นมันมีวันหรอกแล้วกล้ากล้าหน่อย เรื่องแต่งาปิดไม่ได้ดีขึ้นดีชวที่ก่อกับไปนับนึ่งไหมก็เลยใช่แล้วทาไมไปเล่นอะไรมาไม่ได้เรื่องเนี้ยพอดีไม่สบายทก็เลยไปเล่นลังภาในอนาวไม่นาก็ไปปิดเอาพัดลมอ่ะเย็นเกินไปไหมปิดไม่ได้ใช่จิตมันแตกไปหมดแล้วกระจายกระจายรู้สึกไหม ได้่กระจายเออแล้วเลย่ามันเไม่ทำแล้วเอ อ, เ อ, ออย่าไปทํามันกระจายรู้ว่ากระจายอยากให้รวมรู้ว่าอยากให้รวมรู้มันเข้าไปเลยสภาวะทั้งหลายนะจะดีหรือจะเลวเท่าเทียมกันหมดเลยนะแต่สังเกตไหมว่ากระจายแล้วไม่กลัวมันเนี้ยไม่ทุกอืมแต่ถามว่ารู้ไหมว่ากระจายก็รู้อีกเห็นไหมใช้ได้ งั้นตอนนี้จิตเป็นจิตไม่ดีรู้ว่าจิตไม่ดีใช้ได้แล้วนะนั่งไงจบยังจบแล้วนะ อ, อ, อ่าว่าไงัใจคือไม่เฝ้าด้วยไม่ตั้งใจด้วยนะ <c oughs> แต่ว่าความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นแล้วก็รู้ให้มันไหวหน่อย แต่เดิมเนี้ทุกคนรู้ได้อยู่แล้วรู้ช้าเช่นโกรธเพื่อนเมื่อกองวันกลับมาบ้านแล้วเพิ่งนึกได้ว่าเมื่อกองวันโกรธอนะไรนียอย่างนี้ช้านะนี่วิธีปฏิบัติคือมันโกรธขึ้นมาอ๋อรู้ว่าโกรธล้วหรือใจเราใจลอยเผลอไปคนเผลอไปรู้ว่าเผลอไปนะอย่างนี้ใช้ได้คือรู้เร็วๆหน่อยแต่ไม่ใช่นั่งเฝ้านั่งเฝ้ายังเป็นการรอว่าเมื่อไหร่จะมีอะไรเกิดขึ้นมาให้รู้ นะเช่นพอเราคิดถึงการปฏิบัติเราต้องทำขึมนขะึนนะส่วนใหญ่ทําึ้นขึนทำให้เรียบร้อยแล้วก็ใครดูนั่งดูไปรอว่าเมื่อไรอะไรจะเกิดอันนี้ไม่ได้กินหรอกนะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ดักไว้ก่อนให้จ้องไว้ก่อนท่านสอนให้ตามรู้นะกายานุปัสนาสราะว่ากายอนุปัสนาปัสนาคือการรู้การเห็นอนุกว่าตามหมายถึงว่าร่างกายมันเคลื่อนไหว ก็รู้ว่ามันเคลื่อนไหวตามรู้เวทนาตามรู้จิตจิตมันเป็นกุศลรู้ว่าเป็นกุศลเป็นักกุศลรู้ว่าไปกุศลมันเป็นยังไงก็ค่อยรู้ว่าเป็นอย่างนั้นเราอย่าดักไว้ก่อนนะถ้าไปเฝ้าไว้ดักไว้ก็ใช้ไม่ได้หรือว่าบางคนเท่าอย่างนี้ก็มีนะคุณวุฒิเคยเจอไหมอย่างพออารมณ์ันึงเกิดพอรู้ทนันปุ๊บนะรู้ตามหลังนะซึ่งถูกต้องแล้วหลังจากนั้นไปจ้องใส่มนันอีกแล้วมันค่อยๆ่อยหดหดหดหดเข้าไป เคยเจอไหมมันหนีเข้าไปข้างในะนะบางคนตามเข้าไปข้างในนะคุณมนเคยใช่ไหมหนะัวเราแบบเนีนะ้มันหดยิ่งหดนะก็ยิ่งตามเข้าไปใหญ่นะอันนี้หลงเลยถูกหลอกต้ถูกหลอกก่อนค่ะอ่าที่ฉลาค่ะเออดีดีเงั้นต้องถูกหลอกเยอะๆจะได้ฉลาดเยอะ <laughs> ตับถูกนะ เราโรงงานนี่โง่อะเขาเพื่อนเลยโดนอะไรหลอกมาเยอะอ ม, มันไ ม, ม, นไม่มันไม่ซืใจของอาแ ต, องงอแต่ต้องบอกนะคะไม่งั้นจะโง่ไปเดินตาย่โง่เ น, นตายสดง่ ข, ขาดโยนิโสมนานสิการมีสองสิ่งนั้นะช่วยเราอันนึงคือกัลยาณมิตรครูบาอาจารย์บอกให้อันหนึ่งโยนิโสมนานสิกานมีความแยบคายในการพิจารณาตนเอง อย่างเช่นสมมติว่าเราปฏิบัติอยู่แล้วเรานั่งดูไปทุกวันทุกปั น, นวันหนึ่งใจเราเกิดทื่อๆขึ้นมาหนักๆขึ้นนิดนึงซึมๆหน่อยๆทื่อๆต้องรีบรู้น ะ, ฉะเฉลียวใจขึ้นมามีโยนิโศรู้ว่าผิดแล้วจิตซึมๆจิตทื่อๆจิตแข็งๆอันนี้เป็นอากูสโตรจิตจิตที่เป็นมหาอากูศโรจิตนะเบาสบายเบิกบานกว้างขวา ง, วางรู้จักกว้างขวางอะไรใช่ไหมไม่มีประมาณเอ เห็นไหมแล้วแต่ตอนนี้เห็นไหมกว้างก็ไม่เหลือแล้วกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้แล้วรู้สึกไหมเออเปลี่ยนจากสุขคติเป็นทุกคติไปเลยรู้สึกไหมว่าเป็นเด็กใจแตกใจมันแตกไปหมดเ อ, อ, ขอขอความช่วยหายใจ ม, มันแตกกระจายรู้สึกไหม ถ้รู้ก็ดีนะบอกแล้วว่าทุกอย่างเท่าเทียมกันหมดะกุศลกับอกุศลเนี่ยในขั้นของจริยธรรมนี่ยนะกุศลดีอกุศลเลวแต่ในขั้นของการเจริญสติเจริญปัญญาเนี่ยกุศลกับอกุศลนี่เท่าเทียมกันเพราะอะไรอ่ะมันแสดงไตรลักษณ์ด้วยกันทั้งคู่ใช่ไหมเออมันยึดไม่ได้เออมันบังคับไม่ได้เออเบังคับไม่ได้คือคำว่าอนัตตายึดไม่ได้บังคับไม่ได้ เห็นอนัตตาแต่รู้สึกว่ามันนิสัยตัวเองเปลี่ยนไปเยอะนะคะหลวงอาต้ือก่อนงตัวเองค่ะมันจะีเยอด้อ๋อต้องเปลี่ยนได้สินะนิสัยที่ไม่ดีก็ค่อยๆลดลงอานุสัยมันค่อยๆถูกทาลายอนุสัยก็คือความเคยใจความเคยใจในทางที่ไม่ดีค่อยๆลดลงอย่างความอดทนอดกลั้นเพิ่มขึ้นเห็นไหม สติไวขึ้นรู้สึกไหมอะไรแปลกปลอมเข้ามาก็ เ, าเริ่มออกเห็นได้ไวขึ้นใจก็ตั้งมั่นเยอะขึ้นแต่ตอนนี้ไม่ตั้งมั่นตอนนี้แตกไปนะแตกไป ร, รู้ว่าแตกไปอยากให้ดีอีกไห ม, ไมเออต้องใจเด็ดต้องอย่างนี้เอ อ, อ, อ, เ อ, อใช่แหมตอบถูกอีกแล้ว <laughs> นะอย่าง ก, ก็พลิกตำราตอบเลย <laughs> <laughs> มันซึ่นของจริงหืออะไรนะทีงั้นเมื่อก่อนชอบถามตกใจไม่เข้าใจกจ็ทีนึงถามก็ไม่เข้าใจอ่ะต้อลองก็เคยบอกแล้วไงว่าธรรมะเรียนไม่ได้ด้วยการนั่งถามแต่ไม่เชื่อต้องถามไปเรื่อยๆใช่ไหมจนเจอของจริงเถึงยอมจำนวนแต่ยังไม่ยอมนะนี่ขนาดยอมแล้วน่ายัางถามไม่เลิกเลย <c oughs> ค่อย ยัไงไเคยมาไหมคุณเสื้อแดงกับเนี้คยค่อยๆฟังนะฟังหลวงพ่อรู้เรื่องไห ม, มสังเกตไหมว่าใจเราค่อยๆตื่นขึ้นมาดูออกไหม <Yeah. S 2> คือในโลกเนี้ยไม่มีคนตื่นหรอกมีแต่คนตื่นแต่ตัวแต่ใจฝันคิดคิดฝันฝันไปอยู่ในโลกของความฝันไม่อยู่กับความจริงหรอก แต่ถ้าเราหัดเจริญสติเราฟังธรรมะไปจนเราเข้าใจตัวสภาวะธรรมอย่างเรารู้ว่าเผลอเป็นยังไงใจลอยเป็นยังไงนั่งเพ่งเป็นยังไงนั่งสแสวงหาเป็นยังไงเราค่อยๆรู้จักสภาวะไปเรื่อยๆต่อไปพอสภาวะอะไรที่เรารู้จักแล้วมันเกิดเนี่ยสติมันเกิดเองสติเป็นความระลึกได้นะสติไม่ใช่แปลว่ากาหนดนะรุ่นหลังๆเข้ามาแปลสติว่ากำหนด กำหนดในเบื้องหลังของการกําหนดคือตัณหาผลของมันคือความทุกข์เรากําหนดแล้วจิตจะทุกข์สติเป็นความระลึกได้นะมันจะร ะ, ะลึกได้ถ้ามันเคยรู้จักเช่นมันจะระลึกได้ว่าความโกรธเกิดขึ้นแล้วอ้อความโกรธมาแล้วเนี่ยมันต้องเคยเห็นว่าความโกรธเป็นยังไงมันจะระลึกได้ว่าใจลอยเป็นยังไงว่าใจลอยไปแล้วเนี่ยมันต้องเคยรู้จักว่าใจลอยเป็นยังไง งั้นถ้ามาเร vertex, ียนการสมาบบางคนจะง ologist, งว่าสอนอะไรฟังยากที่สุดเลยเฉลยให้ก็ได้ว่าจริงๆสอนให้หัดรู้ตัวสภาวะให้หัดร la okay. ู้ตัวสภาวะไปเช่นใจลอยเป็นอย่างนี้เผลอไปคิดเป็นอย่างนี้เผลอไปดูเป็นอย่างนี้เผลอไปฟังเป็นอย่างนี้นะโกรธเป็นอย่างนี้โลภเป็นอย่างนี้หลงเป็นอย่างนี้ค่อยๆหัดรู้ไปความสุขเป็นอย่างนี้ความทุกข์เป็นอย่างนี้ค่อยๆหัดรู้หัดดูของของจริงๆในตัวเรานะในกายในใจเราค่อยหัดรู้ไป รูปยืนรูปเดินรูปนั่งรูปนอนนะการคูการเหยียดการเหลียวซ้ายแลกวาเนะ่าคอยเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวไปหัดรู้หัดดูเรื่อยเหมือนะเมื่อไรจิตจําสภาวะได้จําได้ว่ารูปเคลื่อนไหวเป็นยังไงหรือจําได้ว่าเวทนาความสุขความทุกข์เป็นยังไงจําได้ว่ากุศลอกุศลแต่ละชนิดเป็นยังไงนะพอจิตมันจําได้แล้วพออันไหนอันไหนเกิดขึ้นนะสติจะเกิดเอง เพราะสติเป็นความระลึกได้มันระลึกได้เพราะมันเคยรู้จักหน้าที่ของเราก็คือหัดทําความรู้จักกับสภาวะสภาวะธรรมคือรูปนามหรือหัดทําความรู้จักกายกับใจของเราไปเรื่อยๆแต่เดิมเราคิดว่าเรารู้จักกายใช่ไหมยกมือเนี่ยรู้นี่มือเราบอกเรารู้จักนี่มือมือนี้ไม่ใช่ตัวจริงของตัวสภาวะจริงๆคืออะไรจริงๆเป็นก้อนธาตุ เป็นวัตถุธาตุที่มารวมกันเนี่ยแต่พอเรามองปุ๊บความเคยชินเราจําเอาสัญญามันหลอกว่าเนี่ยมือเห็นคนนี้ผู้หญิงเห็นคนนี้ผู้ชายเห็นคนนี้หมาเห็นคนนี้แมวเนี่ยเห็นนี่ต้นไม้เนี่ยอันนี้เป็นความคิดของเรามันหลอกขึ้นมาความจริงก็คือสิ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุถ้าเรามองตัวสภาวะออกนะว่าจะเห็นเลยสิ่งที่เรียกว่าคนเนี่ยไม่มีนะ มีแต่ไอ้ร่างกายเนี่ยก็คือก้อนธาตุที่มารวมกันหรือสิ่งที่ตาเรามองเห็นเห็นอะไรนี่เห็นอะไรนะคุณเนี้ยเห็นอะไรดูออกไหมเห็นหนังสือเนี้ยดูไงก็เป็นหนังสือเนี้ยไม่ต้องคิดมากเลยคิดมากยากนานนะเห็นอะไรก็เห็นหนังสือแลสิถ้าเห็นมากกว่านี้คือเห็นพระถือหนังสือ แต่ลองดูให้ดีสิ่งที่มองเห็นจริงๆอะคืออะไรสิ่งที่มองเห็นจริงๆคื อ, อ ส, ออสีใช่ไหมที่ตัดกันเป็นรูปร่างอย่างเนี้ยสีที่ตัดเป็นรูปร่างพระอย่างเนี้ยนั้นสิ่งที่ตาเรามองเห็นจริงๆนะคือสีเท่านั้นเองหรือสิ่งที่ได้ยินะคือเสียงนะไม่ใช่เสียงชมเสียงด่าเสียงชมเสียงด่านี่ยคือความรู้สึกความจําของเราไปแปลกขึ้นมา เพราะนกว่าที่เราจะเห็นรูปตัวจริงได้เห็นสภาวะของรูปได้ไม่ใช่ง่ายนะบางคนบอกรูปดูง่ายนี่รูปนี่ยกนี่มือนี่เล็บนี่นิ้วนะอันี่มันไม่ใช่ตัวรูปนะนี่นเป็นสมมุติบัญญัติตัวรูปจริงๆก็คือก้อนธาตุคือสีคือกลิน่นคือรสคือเสียงนี่ตัวรูปจริงๆเห็นไหมเรียนเรื่องรูปทีเดียวอ้าปากเลยรู้สึกยากไหมอ่ แต่พอถ้าเรียนลองเรียนเรื่องนามบางคนบอกว่านามยากนามยากอะไรอ่ะถูกเขาด่าแล้วโกรธรู้ว่าโกรธมันยากที่ไหนอ่ะมันไม่มีอะไรเคลือบแฝงเลยนะคนเขาชมมะเกงนนกวันนี้มัวได้ที่เกงอะไได้รับคำชมหละแม่น ใ, นใจเบิกบานความเบิกบานเนี่ยความรู้สึกเนี่ยของจริงนะงั้นเราคอยรู้สึกเนี่ยหนีไปละรู้ไหม เนี่ยคอยรู้สึกใจมันหนีไปแล้วรู้พอมันไม่หนีไปเนี่ยอะไรแปลกปลอมเข้ามาในกายในใจเราคอยรู้ไปคอยรู้มีจิตใจเรามีความสุขเราก็คอยรู้มันทุกข์ก็รู้นะมันดีก็รู้มันชั่วก็รู้นะมันเผลอไปมันแอบไปคิดแอบไปดูแอบไปฟังนะมันดีใจเสียใจมันโลภมันโกรธมันหลงมันฟุ้งซ่านมันหดหู่นะค่อยค่อยหัดทำความรู้จักไปทีละอย่างสงอย่าง นะทำความรู้จักเพิ่มขึ้นมาละเล็กมาละน้อยก็พอนะไม่ใช่ว่าต้องรู้จักทีเดียวหมดเลยถ้ากะว่าวันเดียวจะรู้จักให้หมดนะจะกลายเป็นนั่งจ้องเอาไว้เนะี่ยไม่มีอะไรให้ดูจริงหรอกมีแต่จ้องเฉยๆเพราะงั้นทำตัวสบายๆดำรงชีวิตไปตามปกติถือศีลห้าไว้ก่อนนะปกติบางคนอาจจะชอบตีชิงวิ่งราวเขไม่เอานะถือศีลห้าก่อนนะเสร็จแล้วก็ใช้ชีวิตไปตามปกตินี่แหละ ขับรถอยู่ถูกเขาปาดหน้าโมโหโมโหรั่ว่าโมโหไม่ต้องแกล้งทําเป็นคนดีนะโมโหรู้ว่าโมโหไม่ใช่ต้องเฉยเฉยเฉยไว้เฉยไว้นะไม่ต้องนะมันเป็นยังไงรูร้ว่าเป็นอย่างนั้นอย่างรู้สึกไหมตอนนี้กับตอนเช้าความรู้สึกไม่เหมือนกันเมื่อตอนเช้าฟังอาจจะมาพูดแล้วซึมซึมตอนนี้อาจจะมาเปลี่ยนสไตล์พูดใหม่เอาแบบเวอร์ชั่นวัยรุ่นเ พวกเรารู้สึกไหมจิตใจมันคึกคักขึ้นมาเนี่ยเฝ้ารู้ความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆใจลอยก็รู้ไม่ได้นะใจลอยมันคือลืมรู้สึกแล้วก็นั่งเพ่งเอาไว้ก็ขี่อีนั่งเพ่งก็ไม่มีอะไรจะให้รู้สึกแล้วซึมลูกเดียวนิ่งลูกเดียวงั้นเราถ้าอยากรู้มีรู้ความรู้สึกเองบ่อยๆก็อย่าใจลอยไปถ้าใจลอยเรารู้ไม่ได้ อย่านั่งจ้องเอาไว้นั่งจ้องแล้วมันไม่มีอะไรจะให้รู้ทุกอย่างมันนิ่งหมดเดี๋ยวนี้เห็นสภาวะเยอะอย่างือลูกฝิดคุณอำนาจเนี้ยลูกฝิดท่านอำนาจ <c oughs> เกจอเจอท่านอำนาจบ้างไหมท่านไม่ได้ลงมาเลย <c oughs> ท่านเข้าใจเด่นนะมาอยู่บนเขา กุติก็ไม่มอีอยู่ทํำก็ค่อยสบายหน่อยยอดเขาแนละ้วมันทั้งฝนทั้งลมทั้งเย็นคงลดได้สักสิบห้าโลช่วงแรกๆนกทำอะไรเออเผ่อตับถูกเนีย่ยตาว่าแค่ขมูกนเะออ ไอ้ขี่มูกเนี uh ่ยหลงสมมุติบัญญัติฮะเผลอนี่ตอบถูกนะรู้ไหมทำอะไรเออใจมันไหลรู้ว่าไหลใช้ได้นะพี่ชาติชายล่ะทำอะไรดีละพี่ชาติชายดีละไม่เห็นมีใครของเกรงเลยเราคอยประท้วงแทนคนอื่น้วย แตวเป็นไงแตวอาจารย์สุรวัตรช่วยเลี้ยงลูกไหมเออเมื่อกี้ใจลอยทราบไหมเออดีละนะเวลาเราจะทำงานทำมาหากินอะไรเราก็ทำไปตามหน้าที่นะเวลาที่เหลือเรามาพัฒนาจิตใจของเรานะ อย่างเราไปทำมาหากินมันก็ได้เงินไปกินชาตินึงแต <Yes. S 1> ่เราฝึกฝนจิตใจของเราเนี้ยเป็นสมบัติติดตัวไปเ <Yes. S 1> ต่อย่าไปแลกบางคนจะทํางานอย่างเดียวเลยทิ้งการปฏิบัติไปเอาประโยชน์สั้นๆเฉพาะหน้าทิ้งประโยชน์ที่สําคัญที่จะติดตัวไปได้จริงๆ <Yes. S 1> ครูบาอาจารย์บางองค์บอกว่าแม้ขายเวลาราคาถูก <Yes. S 1> <laughs> คือแทนที่เวลามาเจริญสุติในคุ้มค่าราคาแพงนะหมดแต่วิ่งทำน้นทำนี้ไปขายเวลาราคาถูกได้เดือนละแสนเองหรือเดือนละหมื่นอย่างเงี้ยเวลาราคาถูกเพราะว่าหมดแล้วหมดเลยเนะ่ะไม่มีอีกแล้วนะงั้นเวลาทำมาหากินก็ทำไปไม่เป็นไรหรอกมันจำเป็นแต่ว่าจำเป็นแล้วเราก็แบ่งเวลา พัฒนาจิตใจของเราบ้างหัดสร้างสมบัติติดตัวจริงๆไห้รู้จักใจลอยไหมเพื่อแดงเออดีรู้สึกไหมเรียนได้เร็วนะถ้าสองคนล้วเรียนได้ขนาดนี้ก็เร็วละคนเข้าชอบบอกหลวงพ่อพูดไม่รู้เรื่อง <c oughs> <c oughs> บอกไม่ได้ให้ฟังนีน่มีอยู่คนหนึ่งมาเห้มากับคุณปรางใช่ไหมคุณหันษา บอกฟังไงก็ไม่รู้เรื่องเลยฟังแล้วกลุ้มใจกลุ้มใจแล้วฟังมันทำไมไปฟังนกร้องได้ยินนกร้องฟังแล้วสบายใจรู้ว่าสบายใจดีกว่าฟังพลาเทศอีกนะไปฟังหมามันเห่าฟังแล้วหงุดหงิดรู้ว่าหงุดหงิดอ้อดีกว่าฟังเทศอีกคือฟังอะไรก็ให้รู้ทันใจของเราไว้การปฏิบัติก็ง่ายๆแค่นี้คิดสนุกไหม นะเอา้าจิตทองดูเขาลืมตัวเองก <laughs> ารนี้เป็นจิตจิตล่องออกไปไม่ใช่ฟอง <laughs> แมนูนานะซ้ำเติมทุกคน <laughs> นะโยดูสิโยเกรงเลยหันมาทั้งนี้นะ <laughs> เออทอั้งอย่างนี้ไม่อย่างนี้แมวแกล้งทำนะดูออกไหม <laughs> อย่าไปแกล้งให้รู้ตามความเป็นจริงนะของง่ายๆไปทําให้มันยากถ้าเรารู้สึกตัวขึ้นมาแล้วเรารู้กายรู้ใจไปตามความเป็นจริงเราจะเห็นทันทีเลยไม่เที่ยงหรอกเป็นทุกข์ทนไม่ได้บังคับไม่ได้รู้สึกไหมบังคับไม่ได้เออดีรู้สึกรู้สึกอย่างนี้รู้สึกไปเรื่อยๆถึงวันหนึ่งใจเขายอมจำนนกับข้อเท็จจริงเพราะใจเราไม่ยอมหรอกใจเราจะบังคับไม่ได้จะเอาดีให้ได้ บางคนมีสุภาษิตน่ะเกิดมาทั้งทีเอาดีให้ได้อย่างเี้ <c oughs> เอาดีให้ได้ก็ดีเหมือนกันดีวาเาชั่วนแต่ได้อะไรก็ได้แค่ดีอะสิที่เหนือดีเหนือชั่วเลยไม่ได้ <c oughs> พี่แมมเป็นไงพี่แมม <c oughs> ความทุกข์ทั้งหลายนะ่ะมาจากความคิดมาจากความคิดความคิดเป็นของห้ามไม่ได้ เมื่อเราอย่าไปอยากให้มันไม่คิดหรืออยากให้มันไม่มีปัญหาถ้าอยากให้มันไม่คิดอยากให้มันไม่มีปัญหานี้ยิ่งคลุ้มใจใหญ่เลยนี่ให้เรารู้ทุกอย่างไปอย่างที่มันเป็นมันต้องเป็นอ่ะเพราะว่าเหตุปัจจัยมันมีมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นอย่างคนแต่ละคนเขาก็เป็นอย่างที่เขาต้องเป็นอ่ะเราไปแทรกแซงไม่ได้เปลี่ยนแปลงไม่ได้หรอกถ้าเข้าใจตรนี้เราก็สบายใจอย่างนี้หลงนะ ยังไม่เลิกหลงอ่ะรู้ไหมรู<อ>้รู้สึกไม่ว่าใจมันตั้งขึ้นมาหน่อยหน่อยแล้อแล้วทำไมไม่รู้เอาเองต้องให้คอยบอกนะนช้นดุดมานี่นะวงธรรมะจะคลึคลื้นเหมือนตัวตลกมาเลย รู้สึกไหมไปที่อื่นก็คล้ายๆนี้ไหมเหมือนไปที่อื่นนี่ทุกคนเคร่งเครียดก็ไม่เวลาไปป่าไม่ค่อยกล้าาเคยทเองแล้วโดนแตคือแบบเขาหัวลอกันคือคือไม่ได้สิเอออย่างนั้นต้องโดนแน่เลยก็ต้องดูนียจะเป็นคนดีก็ต้องรู้ว่าสังคมที่นั้นเป็นยังไงใช่เออดีแล้วก็ต้องดูให้รู้จักคาราเทะ เซมานี่ถ้าถ้าเสด็จเป็นโยเกอถ้าเกิดเปิด บ, บานนี้ได้บุญไหมคะหลวงปูต้องแล้วแต่ว่าคนอื่นเขาเบิกบานขึ้นมาแล้วเขาลืมตัวเองไหมล้วเขาลืมตัวเองเราได้บาปด้วย <c oughs> ถ้าเขาขำขึ้นมาแล้วเขารู้ว่าเขาขำนะเร า, เราก็ปล่อยได้บุญด้วยอันนีุ้ณเล่ค่ะคุณดีกว่คุณเคยมีดาราคนหนึ่งนะสมัยพุท ธ, ธกาลนะ <c oughs> ท่านเกิดใต้ต้นตาลเลยเรียกว่าตาลบุตรตาลบุตร ลูกตาลภาษาไทยชื่อลูกตาลนายลูกตาลเป็นนักร้องนักแสดงคล้ายๆเบิร์ดอะไรเงี้ยดัง <Yeah. S 1> วันหนึ่งไปเฝ้าพระพุทธเจ้าไปถามพระพุทธเจ้าบอกข้าแต่พระองค์ผู้เจริญครูบาอาจารย์ทางศิลปินเนี่ยสอนมาบอกว่าข้าพระองค์เนี่ยแสดงละครให้คนดูแล้วเขามีความสุขเราจะได้ขึ้นสวรรค์ พ่าเราเป็นนักร้องนักแสดงทําแล้วควรมีความสุขทําให้คนมีความสุขเราได้บุญเราจะได้ขึ้นสวรรค์สวรรค์ น, นี้ชื่อสวรรค์ชั้นฮาสิตาฮาสิตาแปลว่าเบิกบานอันนี้จริงไม่จริงพระที่จ ะ, จะบอกไม่จริงนะพอเราไปเป็นนักร้องนักแสดงเนี่ยเราทํากิเลส ท, ที่ไม่เกิดขึ้นของคนอื่นนะ่ะให้มันเกิดทํากิเลส ท, ที่เขาเกิดแล้วให้เกิดเยอะขึ้น ทำให้เขาขาดสติกุศลที่เขาเคยมีก็หายไปนะเพราะงั้นจะต้องตกนรกขุมที่ชื่อหาสิตาท่านฟังแล้วใจฟอดนะเลยขอบวชนรรลุฆาลหาหนะ์เป็นไงคุณใ <c oughs> ครรู้สึกตัวเรื่อยๆนะ เคยมาใช่ไหมหรือเอาไม่เคยเลยอเคยฝึกมาจากไหนปฏิบัติเนี่ยก็อ่านเหมือนกันนะแต่อ่านใจตัวเองแทนที่จะอ่านเรื่องอื่นนะเราไป อ, อ่านใจตัวเองในใจเราเหมือนนิยายเรื่องใหญ่ๆเรื่องหนึ่งเลยเดี๋ยวก็มีบทรักมีบทโศเดี๋ยวมีบทโมโหให้คอยดูเรื่อยๆ คือให้รู้ทันใจของเราเองอยังเคยมีคนหนึ่งนะมาเรียนะมาเรียนเสร็จแล้วก็บอกเข้าใจแล้วการปฏิบัติเนี่ยถ้าออกจากศาลาไปนะได้กลิ่นดอกไม้หอมรู้ว่าดอกไม้หอมแต่มาบอกนี่ไม่ใช่เข้าใจเลยเนี่ยเข้าใจผิดนะการที่ดอกไม้หอมรู้ว่าดอกไม้หอมเนี่ยคนไม่ปฏิบัติเขาก็รู้ของนักปฏิบัติเราอย่างนี้ได้กลิ่นดอกไม้หอมใจเราชอบรู้ว่าใจเราชอบนะ เห็นคนนี้เดินมาใจเราเกลียดรู้ว่าใจเราเกลียดเนี่ยให้คอยรู้ที่ใจเราแต่อย่านั่งจ้องไว้ถ้านั่งจ้องเวลาจะมองใครก็ต้องมองเงนี้ใจทำทื่อๆไว้ต่อไปไม่มีใครครบน้าไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ดูตามันขวางๆให้คอยรู้ทันความรู้สึกของเรานะความรู้สึกเราจะเปลี่ยนตอนที่ตามองเห็นอย่างเราเห็นรูปสวยๆ ใ, ใจเราเกิดความสุข ใจเราชอบรู้ว่าใจเราชอบนะไปเห็นอันนี้เห็นหมาถูกรถทับสลดใจรู้ว่าสลดใจนี่ให้คอยอ่านใจของเราถ้าเราอ่านใจตัวเองเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะเข้าใจธรรมะได้อาตมาไปหาหลวงปู่ดูลนะยี่ิบสามกุมภาสองห้าไปกราบท่านบอกหลวงปู่ผมอยากจะปฏิบัติหลวงปู่นั่งหลับตาไปชั่วโมงหนึ่งนะลืมตาขึ้นมาสอนนิดเดียว อ่านหนังสือมา man, มาก like? แล้วต่อไปนี้อ่านใจตนเองสอนให้อ่านใจตนเองนะบอกอ่านหนังสือเยอะละต่อไปนี้ให้อ่านใจตัวเองการอ่านใจตัวเองก็คล้ายๆอ่านหนังสือะอ่านหนังสือหมายถึงว่าหนังสือมันเป็นยังไงก็อ่านมันไปตามนั้นอ่านใจตนเองก็เหมือนกันใจเราเป็นยังไงก็รู้ไปตามนั้นมันถึงบทรักรู้ว่ามันรักถึงบทโกรธรู้ว่ามันโกรดนะถึงบทอิจฉารู้ว่าอิจฉามันกลัวรู้ว่ากลัวนี่ตามรู้ไป คล้ายๆเรานั่งอ่านนิยายเรื่องหนึ่งท่านไม่ได้สอนให้เราเป็นนักประพันธ์ท่านบอกให้เราเป็นนักอ่านนักประพันธ์คือไปแต่งเอาเองะเช่นจิตมันฟุ้งซ่านพยายามแต่งให้มันดีนี่ไม่ใช่การอ่านแล้วแต่ว่าเป็นการประพันธ์แะ้อีกพวกหนึ่งก็เป็นนักวิจารณ์เจออะไรขึ้นมาในจิตในใจคอยวิจารณ์นนี่ดีนี่ไม่ดีอนี่ผิดนนี่ถูกะท่านก็ไม่ได้สอนให้เราเป็นนักวิจารณ์ท่านให้เราเป็นนักอ่านที่ดีนะอ่านเฉยๆมันมีอะไรให้อ่านอ่านไปตามนั้น คอยอ่านใจตัวเองเรื่อยๆแล้วจะเข้าใจธรรมะอย่างรวดเร็วเลยเพราะท่านสอนบอกว่าธรรมะนะั้นเกิดขึ้นที่จิตนะเพราะกุศลกุศลธรรมก็เกิดที่จิตอกุศลธรรมเกิดขึ้นที่จิตให้คอยรู้ไปเรื่อยๆถ้ารู้ไปเรื่อยๆในะส่วนเราจะรู้จักธรรมะเยอะแยะเลยส่วนธรรมะภายนอกเหงื่รูปเสียงกลิ่นรสปทภาอะไรพวกนี้นะมันไม่มีกุศลอกุศลเป็นธรรมกลางๆเรียกอภยกฤจอภยกตาธรรม กุศลกุศลเกิดที่ใจเรานี้ที่เดียวเนี้นเราคอยรู้อยู่ที่ใจเราใจเราเปลี่ยนแปลงตลอดตามการกระทบอารมณ์ภายนอกตาเห็นรูปใจเราเปลี่ยนหูได้ยินเสียงใจเราเปลี่ยนจมูกได้กลิน่นใจก็เปลี่ยนอยังนั่งอยู่สว่างสว่างเนี้ยนะได้กลิ่นอะไรเน่าเ น, น่ามาลำขาดไม่ชอบหุดหงิด เกิดไปเดินในวัดป่ากลางคืนมืดมืดได้กลิ่นเน่าๆมาไม่ใช่ลำการไม่ใช่หงุ่หงิดแล้วกลัวเนี่ยเห็นไหมกลิ่นด้วยอันเดียวกันอนะความรู้สึกก็ไม่เหมือนกันเพราะงั้นเราคอยรู้สึกนะคอยอ่านใจของเราความรู้สึกมันเปลี่ยนแปลงหัดดูไปเรื่อยๆไม่ต้องสนใจเลยว่าจะดูไปถึงเมื่อไหร่ถ้าใจเด็ดๆนะเชื่อสมาดูมันไปเรื่อยๆใจเด็ดๆหน่อยถ้าใจไม่เด็ดก็ต้องเรียนนานเหมือ น, นเด็กคนเนี้ย มันใจไม่เด่นชอบถามถามทุกวันอ่ะหวังว่าถามแล้วจะรู้เรื่องะบอกว่าอย่ามาถามเลยถามไงก็ไม่รู้เรื่องไม่เชื่อนะก็มันอยากรู้อ่ะเห็นไหมคิดว่าจะรู้ได้ด้วยการฟังพระเจ้าก็สอนแล้วนะปัญญามีสามัญ น, นะที่มาปัญญาจากการฟังเอามาใช้ตรงนี้ไม่ได้ปัญญาจากการคิดเอาเองใช้ไม่ได้ะมีภาวนามยกปัญญาปัญญาจากการเข้าไปรู้ของจริงเลย รู้ของจริงของกายของใจของเราเข้าไปนะนี่ถึงจะใช้ได้เรารู้กายแล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้ารู้กายถ้าเรู้กายแล้วชอบไกลแบบนี้เอถ้างั้นก็รู้จิตเอาไว้สแสดงว่าไม่เหมนะาะแท้จริงแล้วว่าจะรู้กายเวทนาจิตธรรมเนี่ยนะถ้ารู้ถูกต้องเนี่ยสติจะเกิดเหมือนเหมือนกันหมดเลยนะเพราะงั้นบางคนรู้กายอย่างเช่นคุณวุฒิพยักหน้าเมื่อกี้รู้ไหมเมื่อกี้กระตุกกระดิกรู้ไหม เนี่ยพอพระเนี่ยเมื่อกี้ยกมือรู้ไหมเนี่ยถ้ารู้อย่างเนี้ยรู้ไปปุ๊บมันจะตื่นขึ้นมาอาการที่ตื่นเนี่ยเหมือนกันหมดเลยไม่ว่าจะรู้กายหรือรู้จิตเพราะงั้นในคำที่สอนมาวอกสติปัฏฐานสี่นะเหมือนประตูประตูเมืองสี่ทิศเข้าประตูเดียวก็บรรลุมรรคผลนิพพานได้เพราะงั้นเรารู้กายอันเดียวก็บรรลุมรรคผลนิพพานได้นะอย่างเรารู้กายไปการรู้กายเนี่ยมันจะรู้อะไรบ้างรู้ไหม ก็มันรู้ทั้งกายทั้งใจรู้กายไม่ใช่รู้กายอันเดียวนะเพราะอะไรเพราะว่ากายเนี่ยสังเกตไหมอย่างเรารู้รูปนั่งเนรูปนั่งเนี่ยตัวนี้ถูกรู้ใช่ไหมใจที่ไปรู้รูปนั่งเนี่ยอยู่ต่างหากเนี่ยเราก็เห็นจิตใจของเราหรือรูปกายนี่มันจะกระดุกกระดิจกจะเคลื่อนไหวเนี่ยใจมันเป็นคนสั่งเนี่ยเพราะงั้นการที่เราจเจริญกา ย, ยานุปัสสนานะเราก็รู้กายรู้ใจ เราจเจริญเวทนานุปัสสนาก็ารู้กายรู้ใจเหมือนกันอย่างเรานั่งอยู่เนี้ยสบายสบายเดี๋ยวเวทนาทุกขเวทนาเกิดเราก็เห็นอีกเออทุกมันเกิดนะทุกมันอาศัยกายนี่เกิดขึ้นมาก็ารู้กายด้วยรู้เวทนาด้วยไหมใจก็เป็นคนไปรู้กายรู้เวทนานี่ยธรรมชาติรู้อีกอันเพราะงั้นไม่ว่าจะทําสติปัฏฐานสี่นะอันใดอนหนึ่งเนี้ยก็รู้รูปนามทั้งหมดแหละอย่างเราดูจิตดูจิตเราดูได้แต่จิตที่ไหนอ่ะ ความรู้สึกมันเปลี่ยนเพราะว่าตามันเห็นรูปเพราะว่าหูมันได้ยินเสียงนี่ก็เรื่องรูปทั้งนั้นงั้นไม่มีอะนะว่าปฏิบัติโดยรู้รูปอันเดียวหรือรู้นามอันเดียวมันมันรู้รูปรู้นามเลือกไม่ได้เออมันรู้ของมันเองทำไมมันรู้ของมันเองเพราะสติมันเกิดรู้สึกไหมว่าไม่ได้เจตนาจะรู้มันรู้มันรู้เพราะสติเกิดแต่ถ้าเจตนาจะรู้จะกลายเป็นนั่งเพ่ง นั่งเท่งแล้วจะแน่นแขึ้นมานกไม่เอานกเออทำให้มันสบายสบายหนีไปคิดแล้วคุณเสื้อแดงเออต้องรู้สึกตัวเรื่อยๆนะอาจารย์อย่าไปเที่ยวหามันเนาะให้รู้ทันใจของเราไปเรื่อยไม่ต้องไปแสวงหาอะไร หลักของวิปัสสนาจริงๆนะั่คือให้รู้รูปนามตามความเป็นจริงรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงอย่างที่เขาเป็นนะเขาเปลี่ยนแปลงตลอดเขาเปลี่ยนตามเหตุตามปัจจัยนจนเนี่นขนาดไม่อยากถามแล้วนะเนี่ยอเอาว่าไปเวลาจะพูดหรืออะไรที่ขึ้นมาปุ๊แล้วพอมันเห็นความจริงมันมันค้างคาค่ะมันหายไปเลยค่ะ อย่างเงี้ยต่อไปจะทามาหากินไม่ได้ <laughs> i, เวลาจะมีเรื่องต้องคิดนะ่ะคิดไปเลยมันไปของมันเองเออต้องค่อยค่อยฝึกนะฝึกคิดเอกีไปเหมือนกันพี่พูดทีเกิัตพูด่าเือๆพูดไม่ออกนพี่เขาพูดไม่น่าฟั ง, งนะไงมันไม่จีนมันไม่ปรุงอะค่ะอ๋อพี่เขาปรุงคนเดียวพี่เไม่ออพี่ ก็ดีแล้วนี่นะรู้ไหมว่าพี่เขามาวันนี้อ๋อแหมจะหลอกแย่ yeah. ดูว่าจะนินทาอาจารย์ไหมไม่กล้าไม่กล้านะดีแล้วมีหามบาปใส<ค>่ตัวเออดีดอ ม, มีปิติรู้ว่ามีปิติมีอะไรก็รู้ไปเรื่อย มันต้องหันแยกนะเวลาทํางานนะหายใจแรงๆทีตั้งใจตั้งใจทํางานจดจ่ อ, อ ง, งานนะนี่ถ้าเราไม่อยากทํางานนใจมันจะหนีอยู่แนละ้วมันก็ทําทําเป็นว่าอยากปฏิบัติแล้วทําใจค้างๆไป <c oughs> เวลาคิดต้องคิดนะเคยมีทีมเนี้ยทีมหนูนามีอยู่คนมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งไปสอบสอบสัมภาษณ์เข้าแพทย์นะ่ะ อาจารย์คุณสอาเาถามสอบสัมภาษณ์นะพอเขตั้งคําถามปุ๊บดูจิตใจไว้ความคิดดับหมดเลยไม่ตอบสักคำเสร็จเลยดูสิแม่เลยสอนต้องหัดคิดนะต้องหัดคิดเจอหัดรู้สึกตัวก็รู้สึกตัวขึ้นมาจะคิดก็หัดคิดคนละเวลาแยกส่วนซะ อืก็ดีเราก็ใครเขาถามทําไมคิดช้าบอกเราใค่อครวนก่อนค่อยพูดนะเราจะได้ไม่พูดผิดออื ม, อมไม่งั้นเดี๋ยวเขาว่าพวกปฏิบัติเขียนแล้วไม่มีใครเขาอยากปฏิบัติอือเม่งเป็นไงเม่งตื่นดีล้วเออนี่ดีเรารู้ว่าดีใช้ได้นะนี่แย่รู้ว่าแย่ใช้ได้ เห็นไหมคุณที่ใส่แว่นเนี้เมื่อกี้เราดูเขาเราลืมตัวเราเองรู้สึกไหมเนี่ยคุณนี่ก็ไปดูเขาลืมตัวเองนะรู้สึกไหมคุณท่านรีบตั้งหลักอ้าว <c oughs> ใครจะถามอะไรเชิญล้วนแต่หน้าเก่าๆนะวนมากเรียนแล้วเรียนอีก ถ้ามันมีถ้ามันเปลี่ยนแปลงตลอดใช่ใช่เราจะรู้หรือไม่รู้ใช่คือเรารู้แล้วนั้นมันก็ไม่ใช่ที่เราผ่านมาในนี้อะไรบางมันมีเยอะแยะใช่มันเปลี่ยนตลอดอย่างรูปเนี้ยร่างกายเราก็กระดูกกรดิกไปเรื่อยเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยจิตใจก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ใช่ใช่ใช่ฮสติจะระลึกขึ้นได้ตอนไหนสติมันระลึกระลึกขึ้นเองที่ชาติชายดูออกแล้วใช่ไหมคืออย่างมันหลงหลงอยู่เนี่ยมันเกิดระลึกขึ้นได้เองว่าหลงไปแล้วทำไมมันระลึกขึ้นมาได้เองเพราะมันรู้จักแล้วว่าความหลงเป็นยังไงถ้าคนในโลกนี้เกิดมาก็หลงมาตั้งแต่เกิดเพราะงั้นหลงไปจนตายสติไม่เกิดเพราะไม่เคยเห็นว่าหลงเป็นยังไง แต่อย่างพี่ชาติชายเคยมาฟังธรรมะรู้แล้วว่าจิตหลงไปแอบไหลไหลไหลเปนงี้เป็นอย่างนี้นะพอมันไหลไปสักพักหนึ่งสติเกิดขึ้นมานี่ถ้าเราหัดดูเรื่อยๆสติจะยิ่งจําสภาวะได้แม่นเพราะฉนั้นพอไหวแวบเนี่ยสติจะเกิดไหวแวบสติจะเกิดเพราะฉะนั้นววสติจะเกิดขี่ยิบขึ้นมาแต่ถามว่าเกิดขี่ยิบแล้วสติจะตั้งนานๆไหมจะไม่ตั้งนานเพราะสติก็เป็นของที่เกิดแล้วดับเหมือนกันจิตที่รู้ตัวก็เกิดแล้วก็ดับ พอเราเห็นอย่างนี้ต่อไปเราเพืจะเข้าใจความจริงจิตที่หลงไปเป็นอกุศลเกิดแล้วก็ดับจิตที่รู้สึกตัวเนี่ยไม่ได้ตั้งใจให้เกิดอนะ่ะแต่เกิดขึ้นมาแล้วอยู่ได้แวบเดียวก็ดับอยู่ทำทั้งหลายทั้งที่เป็นกุศลและอกุศลเนี่ยเมื่อมีเหตุก็เกิดเมื่อหมดเหตุก็ดับทั้งหมดเสมอกันหมดเลยพอใจเราเป็นกลางต่อดสภาวะทั้งหมดแล้วเนี่ยตรงนี้เป็นประตูของการบารรลุมรรคผล คือคือพี่ชาชัยรู้ตรงที่ไม่เป็นกลางไหมเช่นเราเห็นเวลาความสุขเกิดขึ้นเราชอบมันความทุกข์เกิดขึ้นเรายังไม่ชอบมันเนี่ยยังไม่กลางนะแต่ว่าต่อมาความสุขเกิดขึ้นเราเห็นเลยว่าเราชอบรู้ว่าชอบใจเข้าไปสู่ความเป่นกลางแวบหนึ่งนะความทุกข์เกิดขึ้นเรารู้ทันว่าเกลียดมันอยากให้หายเร็วๆรเรารู้ว่าอยากให้หายนะใจมันก็ดับไปใจก็เป็นกลางเพราะฉะนั้นใจเป็นกลางแล้วเกิดทีละแวบแวบแวบไป นี่พอมากมากเข้าเนี่ยสติปัญญาก็าให้แก่กล้าขึ้นนะปัญญามันเกิดรู้ความจริงว่าสภาวะธรรมทั้งหลายเนี่ยทั้งที่สุขและทุกข์เนี่ยรุนแต่เกิดแล้วก็ดับทั้งที่เป็นกุศลและอกุศลเกิดแล้วก็ดับธรรมะที่หยาบและละเอียดเกิดแล้วก็ดับนะธรรมะภายนอกธรรมะภายในเกิดแล้วก็ดับเหนะมือนกันนะธรรมะทั้งหลายมีแต่เกิดแล้วก็ดับเสมอกันหมดใจเข้าไปสู่ความเป็นกลางมันจะพ้นจากการรักสุขเกลียดทุกข์ แต่มันจะรู้ด้วยความเป็นกลางจริงๆนะรู้ด้วยความเป็นกลางอย่างแท้จริงเนี่ยไม่นานนะไม่นานบางคนเข้าไปสัมผัสคราวแรกก็ตัดเข้ามรรคผลนิพพานเลยแนะถ้าบางคนกำลังยังไม่พ่อเราก็รู้ของเราไปเรื่อยรู้ตรงที่ไม่เป็นกลางนะพี่ชาติใจนะมันจะเข้าไปสู่ความเป็นกลางเองอย่างบางคนเห็นความโกรธเกิดขึ้นแล้วนะไปดูความโกรธแล้วบอกทาไมความโกรธไม่ดับนะเพราะว่าใจไม่เป็นกลาง ใจอยากให้ความโกรธดับให้รู้ทันว่าอยากให้อยากให้หายโกรธ ถ, ถ้ารู้ทันว่าอยากหายโกรธอยากหายกังวลอยากหายกลุ่มนะรู้ตรงที่อยากเนี่ยตัวนี้ตัวไม่เป็นกลางพอพอความอยากดับปั๊บเข้าสู่ความเป็นกลางทําไมจะต้องให้เป็นกลางเพราะถ้ามีความอยากมันจะไม่กลางแต่พอหมดอยากเนี้ยมันใกล้ต่อมากวนนิพพานเพราะนิพพานก็คือวิราคะไม่อยาก นิโรธคือความดับสนิทของสัณหาคือความหยาบงั้นเราปฏิบัติแค่เป็นแทบตายเนี่ยหวังว่าวันหนึ่งเราจะมาเห็นทันใจของเราที่มันไม่กลางใจมันจะยินดียินร้ายไปเรื่อยๆนะเจอสุขก็ยินดีเจอทุกข์ก็ยินร้ายนะเจอกุศลยินดีเจออกุศลยินร้ายอย่างอยากให้โสดดับนะเจอธรรมะที่ละเอียดแล้วยินดีวันไหนจิตหยาบๆก็ยินร้าย คนหลงเฟลิออยู่ข้างในแล้วยินดีใจออกมาวิ่งข้างนอกแล้วยินร้ายแต่ถ้าเรารู้ทันความยินดียินร้ายจิตจะเข้าไปสู่ความเป็นกลางหลวงปู่เทศสอนคำว่ากลางเนี่ยท่านให้คำว่าใจตรงที่มันหลงยินดียินร้ายท่านเรียกจิตจิตมันหลงยินดียินร้ายพอรู้ทันมากเข้ามากเข้ามันจะเข้ามาเป็นใจมาเป็นธรรมชาติรู้ที่เป็นกลาง ท่านสอนผู้ใดเข้าถึงความเป็นกลางอจะพ้นจากทุกข์ทั้งปวงเพราะตรงเข้ามาสู่ความเป็นกลางเนี่ยกลางเนี้่เป็นประตูของการบรรลุมรรคผลถ้าพูดอย่างอภิธรรมมันก็คือสังขารู้เบกขายานนั่นเองถัดจากสังขารู้เบกขายานเนี่ยจิตจะรวมเข้าอัปนานสมาธิเกิดอนุโลมญาณเกิดโคตรภูญาณมรคญาณผลญาณในเวลาทั้งหมดเจ็ดขณะเอง แวบเดียวงั้นถัดจากความเป็นกลางนี่อีกแวบเดียวเองเวลนเราปฏิบัติให้รู้ทันใจที่ไม่เป็นกลางจนเขาเป็นกลางที่หาวิธีปฏิบัติกันตั้งมากมายก็เพื่อว่าจะเข้ามาเห็นตรงนี้เนะที่ยวไปรู้อันโน้นรู้อันนี้เที่ยวทำก ำ, ก, วกำหนดอย่างโน้นกาหนดอย่างนี้หวังว่าวันหนึ่งจะมาถึงตรงนี้ ไงพี่แหม่มมีความสุขมากซื้อยัง <c oughs> ทุกน้อยลงใช่ตอบถูกเนะี่ยตอบถูกทุกน้อยลง <c oughs> นะน้าค่อยวางไปพอวางแล้วสบายนะถ้าเรายึดไว้คือเราคาดหวงนะังแล้วเราหวังว่ามันน่าจะอย่างนี้มันน่าจะอย่างงี้เพราะมันไม่เหมือนหน้าที่ <c oughs> ท, ที่เราหวังเนี่ยาะเราคุมไม่ได้ เอาใครจะถามอะไรเชิญนะแอบดูนาฬิกาแล้วเอาคำถามมาเยอะทำนี่สงสัยรู้ทันสงสัยหล้วครออใช่คําถามนะจริงๆเราไม่มีความจําเป็นเลยเสี้ยนนิดเดียวะมีหลายคนเลยที่ไม่เคยถามเลยนั่นั่งหลังสุดนั่ะนั่งอยู่ติดเพราะเรามันนั่งยิ้มอยู่นั่นแหละไม่เคยถามอะไรเลยนันั่งฟังฟังผู้รอบรู้ถามนี่ฟังไอคนนี้ถามเยอะเลยใช่ไ้มจำได้ไหม คนนี้มาโอ้ยถามโดยบางทีคนอื่นแทบไม่ได้ถามเลยถ้ามาคู่กับในต้อมเนะเมื่อวานในต้อมมาเดี๋ยวนี้ต้อมก็นิวต้อมแนละ้วไม่ค่อยถามเพราะว่ารู้แล้วว่าคำถามเนี่ยมันคือความฟุ้งซ่านเล้วนงถ้าใจไม่ฟุ้งซ่านรู้สึกนะมันเกิดสงสัยขึ้นมารู้ว่าสงสัยดับเห็นแต่ว่าทุกสิ่งเกิดแล้วดับนี่ธรรมะ ไม่ต้องไปนั่งคิดอะไรมากเข้าใจยังลูกศิษย์อาจารย์อมมาาอยู่อายุทยาใช่ไห่หรืออยู่กรุงเทพก็ดีเรียนกับคุณอนมาลาไงส่ธรรมเป็นไงวันนี้ตื่นหรือยังเออดี นะ่าตื่นไหมเรืเอยๆดีแล้วละ่ะนะเสร็จแม้เราดูเข้าเรากลืมตัวเราเองนะเอออย่างนี้ใช้ได้นะไงแก้วเป็นไงแก้ววันนี้เป็นไงมีปัญญาอย่างวันนี้เห็นเนี่ยว่าอารมณ์ทั้งหลายอมันเกิดได้มันก็ดับได้เอออย่างนี้เรียกว่าปัญญานะปัญญารู้อะไรเยอะแยะนี่ไม่ใช่ปัญญาหรอก ปัญญาตัวจริงรู้นิดเดียวว่าทุกอย่างที่เกิดแล้วดับหมดและอา <c oughs> จารย์สุรวัตรน่าสงสารยังลูก <c oughs> <c oughs> แต่มีอะไรไหมอืม <c oughs> จริงๆจะถามอะไรก็ไปถามอาจารย์สุรวัตเรเราอยู่บ้านเดียวกันใช่ไหม น่ามีอาจารย์อยู่บ้านเดียวกันแล้วสบายแต่พออยู่บ้านเดียวกันบางทีเรียนยากนะเราเคยชินเราจะต้องเถียงไว้ก่อนใ <c oughs> ครรู้สึกเรื่อยๆดีแล้วล่ะนะรู้สึกไปจิตใจเราก็จะเบาสบายขึ้นสบายขึ้นนะไ <c oughs> งจิตผ่องหายเศร้าโศกแล้วพิ่งชั่วหน่อย แต่ว่าถ right? ้าอยู่ต่อหน้าหลวงพอมันไม่ค่อยหวังใช้เลก็รู้ว่ามันไม่หวังเออรู้ว่าไม่หวังใช้ได้แล้วล่ะนะใช้ได้บางคนมาเรียนแล้วเก๋งก็มีอย่างหนูนานให้เรียนแล้วเกล๋งตลอดเลยแต่นั่งตรงนี้เก๋งนะบอกให้มานั่งตรงนี้ไม่เกล๋งแปลกมาใกล้ไปเลยนะไม่เกล๋งเลยแปลกคน การที่จิตจะวางตรนี้ก็คงหมายถึงว่าจิตเนี่ยมันแบบเพราะว่าเวลามันไม่วางนี่ยมันแบบสดใช่ไหมฮแล้วเมื่อมันรู้จักดีแล้วเนี่ยต่อไปก็คือมันเป็นของมันเพืมันจะวางของมันเองมันวางของมันเองคําว่าเห็นทุกข์เนี่ยนะมีไวยะลึกเลยอย่างการเห็นว่าเป็นอย่างนี้แล้วเป็นทุกข์เนี่ยอันหนึ่งนะต่อไปกระทั่งมันไม่เป็นอย่างนี้แล้วมันไม่แน่นอย่างเงี้ยไม่เกรงละเหลือแต่ธรรมชาติล้วนๆจิตที่เป็นธรรมดาล้วนๆแล้วเห็นว่าตัวนี้เป็นทุกข์ ไนะอ้ น, นี่เราจะเห็นทุกตัวจริงนะอย่างตอนนี้เราเห็นทุกขเวทนาตัวนี้เป็นตัวความทุกข์รู้สึกไหมมันเป็นความทุกขนะ์แต่เราไม่เห็นว่าตัวจิตเป็นตัวทุกข์ถ้าจิตของเราไปรู้อารมณ์ดีๆจิตระเบิกบานแจ่มใสเรารู้สึกว่าจิตเป็นตัวสุขเคยรู้สึกไหมว่าจิตเฉยๆมันมีความสุขในตัวของมันเองมันดีมันสุขโดยตัวมันเอง สำหรับปฏิบัติเราจะเข้ามาถึงตรงนี้นะแในตรงนี้แสดงว่ายังเห็นทุกข์ไม่แจ่มแจ้งนะถ้าเห็นทุกข์แจ่มแจ้งเราจะรู้ตัวจิตนั่นแหละตัวทุกข์เพราะพระพุทธเจ้าสอนชัดๆเลยตัวขันนั่นแหละตัวทุกข์นั่นคาว่าทุกข์ขัดทุกขอริยสัจนะลึกมากเลยในโลกคนก็จะรู้จักแต่ทุกข์เพราะว่าได้รับอารมณ์ที่ไม่ดีเช่นถูกด่าแล้วทุกข์ตกงานเป็นทุกข์หุ้นตกเป็นทุกข์น้ํามันแพงเป็นทุกข์อะไรอย่างนี้ แฟนทิ้งก็เป็นทุกข์อะไรย่างเงี้ยไม่ได้อย่างที่อยากเราทุกข์หมายถึงได้รับรับอารมณ์ไม่ดีเราทุกข์นี่พอพวกเรามาปฏิบัติมากขึ้นมากขึ้นเราจะเห็นอีกอารมณ์ที่ไม่ดีผ่านมาผ่านไปเนี่ยถ้าใจไม่เข้าไปยึดไม่ทุกข์รู้สึกตรงนี้ใช่ไหมเอเพราะงั้นทุกข์เกิดจากว่าใจเข้าไปยึดเี่เราเห็นทุกข์ในระดับกลางๆแล้วมันมีทุกข์ระดับสูงอยังันตัววจิตนั่นแหละจะยึดไม่ยึดมันเดียวทุกข์ทั้งนั้นแหละนะถ้าเห็นตัวนี้ถึงจะวาง จะปล่อยวางขันถ้ายังไม่เห็นตัวนี้จะไม่ปล่อยวางขันแต่จะไปพยายามรักษาขันนไว้ยรักษาจิตรักษาจิตให้ดีพยายามไล่อารมณ์ที่ไม่ดีออกไปงั้นการมีปัญญาเห็นทุกข์มีหลายระดับค่อยๆเรียนนะเรียนไม่ยากหรอกเรียนบางคนเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีอย่างชาติก็เจ็ดชาตินะเคยถามครูบาอาจารย์องค์หนึ่งแบบคนหัดใหม่เลยอะ่ะ นะแล้วก็สนใจปฏิบัติตั้งใจเรียนจริงๆเนี่ยใช้เวลานา น, านไหมกว่าจะได้โสดาอะไรเงี้ยไม่นานเจ็ดชาติก็ได้แล้วนะ <c oughs> ชื่หลวงพ่อกิมหลวงพ่อกิมอ <c oughs> กเจ็ดชาติก็ได้รู้สึกไม่นานเพราะว่าท่านจำได้เยอะเห็ น, น <c oughs> เจ็ดชาติไม่นาน <c oughs> เอาชาติชาติเกิดจอพ้องพ่อพอ ง, ง, งแม่ก็ได <c oughs> ้มันก็มีพบอ่ะนะมีพบน้อยพบใหญ่นะนี่ชาติที่ละเอียดเข้าไปนะชาติละเอียดจริงๆเลยอะมันก็คือการที่จิตเราเนี้ยนะไปหยิบเวยเอารูปนามขึ้นมาใจมันไปหยิบเอารูปนามขึ้นมาี่เป็นตัวชาติทันทีที่หยิบขึ้นมาเนี้ยความทุกข์ิดเกิดทันทีเลยคือใจเราจะเกิด อย่างเกิดตัญหา เ, า, าเกิดอยากนะพอเกิดอยากขึ้นมาเนี่ยมันจะทยานออกไปเข้าไปยึดอารมณ์อันนี้ดูออกใช่ไหมอ่พอยึดอารมณ์แล้วเกิดการทํางานทางใจอันนี้รู้สึกไหมการทํางานทางใจอ่ะถ้าสังเกตลึกเข้าไปอีกนะตัวนี้ละเอียดเข้าไปอีกเราจะเห็นเลยว่ามันไม่ใช่ทชําเฉยๆแต่จิตเนี้ยนะไปหยิบเวยวรูปนามให้นมาด้วยไปคว้ารูปนามให้นมาคล้ายๆไอ้รูปนามนี้มันทํางานอยู่ในกะละมังอะไรเงี้ยในกระด้งอะไรเงี้ย มันไปหยิบขึ้นมาด้วยเพราะมันจะเป็นทุกข์ขึ้นมาค่อยดูไปเรื่อยถ้าเห็นตัวตัณหาเห็นตัวพบนะก็ดีแล้วละ่ะตัวพบเนี่ยหมายถึงการทำกรรมทางใจเกากรรมมาพบชื่อเต็มๆมากรรมมาพบส่วนไอ้พบที่ตายแล้วไปเกิดใหม่อันนี้ก็พบเหมือนกันเรียกว่าอุปัตติพบพบก็มีสองพบนะมีกรรมมาพบกับอุปัติพบ อุปาติภพเช่นเราตายจากความเป็นคนไปเกิดเป็นเทวดานี่มีอุปัติภพเป็นเทวดาอุปัติคืออุบัตินั่นเองคำว่าอุบัติภพอีกการหนึ่งเรียกว่ากรรมภพคือการที่จิตใจของเราทํางานสังเกตไหมใจเราทํางานตลอดเวลาที่ชาติชายดูออกไหมใจมันมีงานทําทั้งวันเลยใจทํางานตลอดเนี่คือใจสร้างภพตลอดนั่นเองคําว่าสิ้นภพสิ้นชาติสิ้นภพบจบพรหมจรรย์เนลย ก็คือใจเนี่ยไม่มีงานจะทําตอบไปใจของเราทํางานที่แม่มดูออกไหมทํางานตลอดเวลางั้นมันอยู่ในกองทุกตลอดเวลาเลยงั้นเราค่อยรู้ทันแต่เดิมเราไม่เคยเห็นไม่เคยรู้เราก็คิดว่านานๆเราทุกทีหนึง่งแต่ต่อมาเรารู้สึกแล้วเรามีสติเรารู้ทันจิตใจเราแอบทํางานตลอดนะมันน่าเหน็ดเหนื่อยจิตใจต้องทํางานเหน็ดเหนื่อยมีความทุกข์ พอรู้ทันรู้ทันไปเรื่อยต่อมาความปรุงแต่งค่อยดับไปดับไปพอเรารู้ไม่ทันเราก็ปรุงยาวพอรู้ทันมันก็ความปรุงก็ขาดไปขาดไปนะพบอันะไรก็ขาดลงขาดลงพบก็สั้นลงเรื่อยๆเพรืะฉะนมีสติขึ้นมาทีก็ตัดพบตัดชาติให้สั้นลงทีหนึ่งไอ้สุธรรมหนีไปคิดแล้วหลงไปแล้วนะเออดีดนะี่แะคุณเสื้อแดงก็ลงเหมือนกัน รู้สึกตัวไวเออตื่นขึ้นมานะตื่นหนนะนนี้ไม่ยอมตื่นเอ อ, เ อ, อนั้นคอยรู้สึกว่าโยโยไม่เอาพอเผลอไปแล้วก็พอจะรู้สึกตัวก็จะเกริงต่อตอนที่สึกแรกๆจะรู้ว่าต้องบอตัวเองเปลาว่าองนเกนะออไม่ต้องไม่ต้องนะไม่ต้องภากนะเออไม่ต้องบรรยาย ไม่ไม่รู้ว่าช่างมันเนอะร้องอ้าวเลยจร <c oughs> ิง้ความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นล่ะให้รู้ไปที่ความรู้สึกนะแต่ใจอ่ะมันจะชอบพูดเองอ่ะอ้าวนี่โกรธแล้วนะนี่โมโหแล้วนี่อิจฉาแล้วอะไรมันจะอดภาคไม่ได้นะแต่ว่าจริงๆเราไม่ต้องไปช่วยมันภาคหรอกมันพูดของมันเองแหละแล้วม่คอยบรรยายมันมีคนบรรยายอยู่คนหนึ่งรู้สึกไหม ในตัวเราในใจเรามีนักพูดอยู่คนนึงพูดแจ๊วๆทั้งวันเลยรู้สึกไหมเนี่ยเห็นไหมมันแอบไปพูดละนะเพราะงั้นเราจะห้ามไม่ให้มันพูดเนี่ยห้ามไม่ได้หรอกนะงั้นถ้าถามหลวพอพรความโกรธเกิดขึ้นเนี่ยเราต้องบอกไหมว่าความโกรธเราไม่ต้องบอกหรอกมีคนมันบอกให้เสร็จเลยเดี๋ยวมันมีคนมาภาคให้เหรอว่าโกรธแล้วนะบางทีไม่เพียงแต่ภาคอย่างเดียวนะเที่ยวสอนด้วย โกรธไม่ดีนะอย่าไปโกรธเลยนะเคยเป็นไหมเออเนี่ยนักภาคนักสอนนะั้โยนมันทิ้งไปเลยนะให้รู้ที่ความรู้สึกความรู้สึกของเราเปลี่ยนเนี่ยความรู้สึกสงสัยเกิดขึ้นให้รู้ว่าสงสัยความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นรู้เข้าไปตรงๆนะหนึ่งเนี้ยหนีไปคิดทราบไหมรู้ว่าสงสัยนี่รู้เฉยๆหรือต้องรู้ว่าสงสัยอืมเป็นยังไงนะ รู้ว่ากําลังสงสัยอยู่นะรู้ว่ากําลังสงสัยไม่ใช่รู้เรื่องที่สงสัยนะแต่แต่อ ย, อย่างนี้คือภาคอ่ภาคมันอดภาคไม่ได้หรอกหลวงพ่อถึงบอกว่าไม่ห้ามมันหรอกนะเพราะห้ามไม่ได้มันภาคตลอดไม่ต้องกลัวว่ามันไม่ภาคจนกระทั่งวันหนึ่งมันภาคไปเรื่อยๆนะสติปัญญาเราชํานาญขึ้นเราจะรู้ในการภาคเนี่ยเป็นส่วนเกินเป็นการสร้างภาระเป็นงานที่เพิ่มขึ้นนะใจจะไม่ชอบไม่ชอบการภาค มันไม่ชอบการภาคแล้วก็ยังห้ามไม่ได้มันยังภาคอีกต้องฝึกกันนาะนหลายปีกว่ามันจะเลิกภาคเห็นไหมมันภาคไปเรื่อยเรืยู้สึกไหม <c oughs> เวลาคิดนะ่สังเกตไหมเวลาคิดนะ่มันคิดเป็นคําพูดก็มีเห็นไหมคิดเป็นภาพก็มีคิดเป็นตัวหนังสือก็มีไปรู้สึกไหมเออเพราะว่ามันต้องอาศัยสมมุติบัญญัติถ่ายทอดคลื่นของความคิดออกมา นี่ให้เรารู้ว่าจิตเราแอบไปคิดไม่ต้องไปสนใจว่ามันคิดเรื่องอะไรก็ได้อย่างนี้ใจหนีไปคิดแล้วรู้สึกไหมหนีแว บ, บไปให้รู้ทันตรงนี้ไปแล้เห็นไหมอ่เอาเห็นไหม <laughs> ให้รู้ทันว่าจิตแอบไปคิดนะฝึกแค่เนี้ยฝึกอันเดียวแค่เนี้ยสู้ไหวไหมพอจิตแอบไปคิดรู้ว่าแอไปคิดยกเว้นตอนทางานนะทางานต้องคิดนะไม่ใช่ไปรู้ แบบยอดนุชเนี่ยเดี๋ยวเขาไล่ออกจากงานแนละ้วจะมาบอกว่าหลวงพ่อสอนกรรมฐานจนตกงานเห็นไหมหนีวิคิดอี ก, ลอกองงแล้วดูออกไหมนุชก็หนีวิคิดละอ้าวนกห่วงละวันนี้พ่อสมควร น, นะได้ชั่วโมงหนึ่งละเรียนกรรมฐานนะไม่ต้องเรียนเยอะค่อยๆเรียนไป เรียนเยอะมากมากลุ้มใจเขาพยายามจะจำค่อยฟังไปเวลาเล็กเวลาน้อยนะการบ้านที่ไปทําก็คือหัดสังเกตสภาวะไปเรื่อยๆอย่างของคุณก็คอสังเกตมันแอบไปคิดแล้วค่อยรู้ไปๆนะแต่ละคนก็หัดสังเกตของเราเองไปนะทําความรู้จักเพิ่มขึ้นมาอะไรอย่างสองอย่างเนะี่ยความโกรธเป็นอย่างนี้ความเผลอเป็นอย่างนี้นะกลัวเป็นอย่างนี้อิจฉาเป็นอย่างนี้อนะไรเงี้ย เกรงใจเป็นอย่างนี้คนไทยเก่งนะมีสัพท์เกี่ยวกับจิตใจเยอะมากนะเกรงใจฝรั่งแปลไม่ไดแปลไงดีอ อ, อ, อร้อนใจร้อนจริงจริงเห็นไหมหนาวใจหนาวจริงๆริงรู้สึกไออคนไทยนละ้วมีสัพท์เกี่ยวกับใจเยอะเลยคือละเมียดละไมในเรื่องของความรู้สึกเพราะงั้นเราเนี่ยบรรพบุพรุษ ด, ดีอยู่แล้วเก่ง บัญญัติศัพท์ขึ้นมาให้เราใช้เยอะเลยที่จะอ่านใจตัวเองนะเพราะฉะั้นหนาวใจขึ้นมาก็รู้เลยนะร้อนใจก็รู้นะหุ่นใจก็มีนะใช่ไหมมีตั้งหลายเคิมีหลายระดับเลยอุ่นใจือเนะพอสมควรนะเชิญกลับบ้า น, ออนเออเบิก บ, บ, บานบานจริงๆคนโบราณจริงบบนะแสดงว่าคนโบราณเนี้ยนะดูจิตเก่ง m l v